ความหลังในสังสารบทที่ห้าภาระอันยิ่งใหญ่นายสมชายกับนายขุนทองเฝ้าเชงเงตาคอยหลวงพ่อและหลุงลุงของตน เห็นรถมาจอดหลังกุฏิก็รู้ว่ามีคนมาส่งท่านจึงพากันออกไปรับหลวงพ่อฉันเพนรื่อยังครับนายสมชายถามหลังจากนมัสการท่านพระครูและไหว้บุรุษสองกับสตรีหนึ่งที่มาส่งท่านแล้วในขุนทองทาตามลูกพี่เธอเตรียมไว้หรือเปล่าล่ะท่านพระครูถามเตรียมสิครับถึงหลวงพ่อไม่บอกว่าจะมาเท่าไหร่ ผมก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเสมอถ้าไม่ทำเช่นนั้นก็จะถูกกล่าวหาว่าละเลยต่อหน้าที่เขาตั้งใจประชดนายขุนทองยังคงตึงตึงกับหลงลุงที่แม่อนุญาตให้ไปอินเดียด้วยจึงไม่พูดไม่จาท่านพระครูไม่ถือสาเพราะรู้ว่าผู้ชายที่หมายมุ่งจะเป็นผู้หญิงนั้นจะต้องเจ้าแงแสนงอนกระเงากระงอดเหมือนเจ้าขุนทองคนนี้ ยังดีที่เขายอมบวชหนึ่งพันษาซึ่งทำให้ละวาสนาในชาติต่อไปชาติสุดท้ายแล้วที่เขาจะเป็นอย่างนี้ก็ให้เขาดัดจริตดีดดิ้นถึงพลิกถึงขิงไปเลยมีมากกว่านั้นเหตุผลที่เธอเตรียมพัตหารให้ฉันมีมากกว่านั้นเธอสองคนตกลงกันแล้วใช่ไหมว่าถ้าฉันมาไม่ทันเธอจะสวาปามกันเอง จะฉันแทนฉันว่างั้นเถอะท่านประชดตอบได้การใช้คำว่าฉันกับคนทั้งสองแทนคำว่ากินคราวนี้ในคุนทองอดรนทนไม่ได้ต้องขอมีส่วนร่วมจึงดัดเสียงให้เหมือนเสียงผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงให้มากที่สุดแบบพูดดัดจริตสุดๆว่าแม่ลุงๆเนี่ยรู้ไปซึ่งหมดทุกเรื่องเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าแสนรู้ใช่ไหมฮะพี่สมชาย น้อยๆหน่อยขุนทองเองพูดไม่ดีกับหลวงพ่อข้าแล้วนะอย่าลืมว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่คนนับถือทั่วจั ก, กรวาลแล้วยังเป็นหลวงลุงของเองอีกด้วยเองไปว่าท่านแสนรู้ได้ยังไงบาปกรรมมากนะเองนายขุนทองก็เถียงอดชดยังไม่ลดละท่านพระครูสายศรีรษะปล่อยให้คนเกินบาทสองคนเถียงกันหันไปพูดกับเท่าแก่เส่งและภรรยาว่า ทานอาหารก่อนค่อยไปนะมื้อเช้าก็ยังไม่ได้ทานกันรวมสองมื้อเลยท่านหันไปบอกคนขับด้วยเท่าแก่เสงพูดแบบเกรงใจว่าไม่รบกวนหรอกครับนิมนต์ ห, หลวงพ่อตามสบายผมจะลากลับท่านพระครูรีบท้วงว่ายังกลับไม่ได้มาวัดนี้ถ้าไม่ได้ทานข้าวถือว่ามาเสียเที่ยว แล้วหันไปพูดกับคนขับรถว่าโยมโชเฟอร์ทานข้าวก่อนนะข้าววัดนี้ใครทานแล้วกลับไปรวยทุกคนครับคนขับรถตอบยิ้มยิ้มเขาคร่ำเครียดกับการขับรถจากสุพรรณมาสนามบินดอนเมืองจากสนามบินดอนเมืองมาวัดป่ามะม่วงข้าวสักเม็ดยังไม่ตกถึงท้องถึงจะกลับไปไม่รวยก็ไม่ว่า ขอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการกินข้าวสักจานเพื่อไล่ความหิวแต่ถ้ากลับไปแล้วรวยก็ถือว่าเป็นโชคดูท่าทางหลวงพ่อท่านคลั่งไม่เบาคุยสนุกอีกด้วยถึงจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ช่างเถอะอาตมาไม่คงไม่คลั่งอะไรหรอกแต่ถ้ายมทานข้าวกลับไปรวยแน่ลอตเตอรี่ที่ซ่อนไว้ใต้หมอนน่ะ จะถูกรางวัลที่สองแต่โยมต้องแบ่งให้พวกบ้านเขาด้วยพอดีเขาจะเอาปลอกหมอนไปซักเลยพบข้าวท่านพระครูรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่จึงช่วยคิดแบบดังๆโอ้โหหลวงพ่อขลังจังครับวันหลังผมจะมาขอเลขบ้างผมขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับคนขับพูดพร้อมกับคุกเข่าลงกราบท่านสามครัง้ง เป็นการฝากเนื้อฝากตัวอัตมาไม่ครั้งแล้วอัตมาไม่เคยให้เลขใครเพราะไม่อยากให้ชาวพุทธหมกมุ่นมัวเมาในการพนันคั้นต่อโยมจําไว้เลยว่ายังไม่เคยมีใครเป็นเศรษฐีเพราะเล่นการพนันแต่เศรษฐีที่หมดตัวเพราะเล่นการพนันนั้นมีมากต่อมากเป็นชาวพุทธต้องขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ ไม่ใช่หวังรวยด้วยการพ น, นันอาตามาขอบินทบาทเลยนะว่าต่อไปขอให้เลิกดูอย่างโยมเท่าแก่โยมผ่องใสเป็นตัวอย่างเขาขยันทำมาหากินจนร่ารวยมีเงินเป็นแสนแสนต่อไปจะมีเป็นล้านล้านไม่ต้องซื้อหวยนะโยมนะท่านหันไปพูดกับสองสามีภรรยาซึ่งเท่ากับให้พรไปในตัว ทั้งสองคุกข่าวกราบท่านสามครั้งดังที่คนขับรถธรมหลวงพ่อคะโยมอยากกินข้าววัดป่ามมะม่วงแล้วคะ่ะหิวมากเรากินอาหารแขกมาหลายวันคิดถึงแกงส้มและต้มผักกาดดองจะแย่อยู่แล้วเธอบอกชื่ออาหารที่ชอบเพราะรู้สึกหิว ไม่ใช่รู้สึกอยากรวยเพราะรวยอยู่แล้วแต่ถ้าจะรวยมากกว่านี้อีกก็ไม่ว่ากันดีเลยโยมที่วัดมีแกงส้มและต้มผักกาดดองพอดีสงสัยพวกแมกครัวรู้ว่าคนมีบุญจะมาทานข้าววัดนี้ในใจท่านพูดว่าโยมไม่รู้อะไรกับข้าววัดป่ามะม่วงมีสองอย่างนี้ทุกวันนั่นแหละ ใครมาจากไหนก็มากินแถมคนแถวนี้ก็เอาถังพลาสติกบ้างถุงพลาสติกบ้างมาใส่ไปกินบ้านบางคนก็หอบไปฝากลูกฝากหลานแต่ข้าววัดนี้ไม่เคยหมดมีให้กินทุกวันอัตมาทากรรมไว้กับบ้านแป้งถึงต้องมาเลี้ยงเขาทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลอย่างนี้ขุนทองพาแขกไปทานอาหารที่โรงครัว ไม่ต้องทำหน้าเงาหน่างออย่างนั้นหรอกถึงเองไม่ได้ไปอินเดียกับข้าแต่ข้าก็มีของจากอินเดียมาฝากเองเป็นสารีสีแดงแจ็ดคราวนี้เองก็สวยที่สุดในตำบลบ้านแปงเชละท่านบอกหลานชายแล้วฮะหลวงลงขอบคุณขอบคุณหลวงลงมากมากนะฮะนายขุนทองเปลี่ยนกิริยาจากกระเงากระงอด มาทำระลิกระริในทันทีรีบพาอาคันตุกะสามคนไปยังโรงครัวอย่างเร็วรี่ท่านพระครูเดินเข้ามาในกุฏินายสมชายจึงลากกระเป๋าของฝากตามมาแล้วผมจะได้ของฝากไหมครับนายสมชายท้วงบ้างเดี๋ยวก็รู้ท่านพระครูตอบจากนั้นจึงเดินขึ้นชั้นบน นำย่ามไปเก็บแล้วลงมาสงน้ํานายสมชายนํากระเป๋าขึ้นไปไว้ชั้นบนแล้วจึงมาเตรียมสำรับที่แม่ครัวจัดมาให้เมื่อสักครู่ก่อนหน้าที่ท่านจะมาถึงสงน้ําแล้วจะเอาวาดวัดป่ามาม่วงจึงลงมาชันพัตนาหานนายสมชายคอยรับใช้อยู่ใกล้ๆท่านฉันไปได้สองสามคำก็รวบช้อนเหมือนเคยปฏิบัติมา นายสมชายคิดว่าท่านจะฉันมากกว่านี้เพราะได้ยินมาว่าประเทศอินเดียยากจนผู้คนอดอยากหิวโหวยมีแต่ขอทานเต็มเมืองจะทวงท่านว่าทำไมหลวงพ่อฉันน้อยจังผมว่าน่าจะฉันมากกว่านี้เพราะฉันควบสองมือเช้าเพลงนายสมชายยังพูดไม่จบท่านเจ้าของกุฏิก็พูดลอยๆว่า ผู้ดีเห็นแก่หน้าขี้ข่าเห็นแก่กินอ้าวแล้วกันผมอุตส่าห์เป็นห่วงเห็นไปอดอยากมาจากอินเดียก็อยากจะให้ฉันมากๆจะได้มีกำลังต่อสู้กับญาติโยมมาด่า ก, กันเสียงนั้นนายสมชายต่อว่าต่อขานมิได้ถือโทษโกรธเคืองถือเสีว่าหลวงพ่อเป็นผู้หญิงโบราณว่าผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรัก ฉันไม่ไดดา่าเธอเพียงแต่พูดให้ฟังฉันฉันน้อยไม่ดีหรือยังไงก็ไหนเธอกับเจ้าขุนทองตกลงกันว่าฉันมาไม่ทันเธอสองคนจะฉันฉันแทนฉันไงละ่ะฉันไม่อยากให้เธอสองคนผิดหวังท่านตั้งใจใช้คําว่าฉันที่แปลว่ากินกับนายสมชายและนายขุนทองหลวงลุ ง, ลงนินทาอะไรขุนทองฮะ นายขุนทองกลับจากโรงครัวมาได้ยินหลวงลุงเอ่ยชื่อตนก็โวยวายเหมือนคนกินปูนร้อนท้องหลวงพ่อชมเองว่าดูสวยขึ้นนายสมชายไม่ต้องการพูดปดเพียงแต่อยากให้หลานชายที่กลายเป็นหลานสาวของท่านพระครูรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นเพิ่งรู้หรอเขารู้กันมาตั้งนานแล้วแหละลุงนายขุนทองละหลวงไว เพราะต้องการให้เป็นไปตามเพลงท่านเจ้าของกุฏิไม่ใส่ใจหากถามขึ้นว่าโยมเขาทานข้าวกันแล้วหรือหลานชายแซงตอบด้วยการเล่นคำว่าจะแล้วยังไงล่ะเพิ่งไปเดี๋ยวนี้เองโอ้โหเขาฉันกันใหญ่ยังกับอดอยากมาตั้งสองปีหนูเงี้ยน้ำลายไหลเลยที่ต้องเดินมาเนี่ยก็เพราะกลัวพี่สมชายฉันหมด ไม่มีอะไรหรอกท่านพระครูจึงแกล้งถามเป็นการเป็นงานว่าตอนฉันไม่อยู่นะ่ะมีใครมาหาฉันบ้างไหมนับไม่หวาดไม่ไหวเลยครับผมเลยบอกไปว่าให้มาวันนี้หลวงพ่อจะถึงวัดวันนี้อันที่จริงผมซื่อไปหน่อยน่าจะให้หลวงพ่อได้พักผ่อนสักวันสองวันรู้อย่างนี้บอกว่าหลวงพ่อจะกลับพรุ่งนี้หรือเมื่อนนี้ก็ดีหรอก นายขุนทองก็พูดสอดขึ้นมาว่าไม่ซื่อไปหน่อยหรอกห้าพี่สมชายเซอร์มากเลยแหละซื่อกับเซอร์มันดีกรีใกล้ๆกันเหมือนเซอร์กับโง่ น, นั่นแหละเซอมากก็คือโ ง, ง่ท่านพระครูรู้สึกทนหลานชายไม่ไหวอีกต่อไปจึงออกคําสั่งที่ไม่เป็นลายลักษณอักษรว่า ขุนทองเองไปดูซิว่าโยมเขาทานอาหารกันเสร็จแล้วหรือยังถ้าเสร็จให้พามาที่นี่นายขุนทองทำสะบัดสะบิ้งลุกออกไปโดยไม่กราบหลวงหลุ ม, ลมแล้วคนที่เพิ่งมาวันเนี้ยมีกี่คนท่านรู้ว่าแม่เชิญสีจะพามานดามาวันนี้นับไม่ท้วนเลยครับแม่พินสอนให้ฝึกเดินฝึกนั่งอยู่ที่หอประชุม บอกว่าช่วงบ่ายหลวงพ่อจะมาให้กรรมฐานนายสมชายรายงานท่านพระครูอยากรู้ว่าแม่เชิญศรีและมารดามาหรือยังจึงถามว่ามีคนมาหาฉันที่กุฏิบ้างไหมนายสมชายเพิ่งนึกได้จึงเรียนว่ามีครับมาก่อนหลวงพ่อมาถึงประมาณชั่วโมงเศษเขาบอกชื่อว่าเชิญศรีมาจากอายุธยา พาแม่มาด้วยบอกว่ามีทุกข์มากจะมาให้หลวงพ่อช่วยผมก็บอกว่าหลวงพ่อจะมาถึงวันนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงเขาก็บอกว่าจะรอผมเลยพาไปฝากแม่พินไว้ท่าทางแม่เขาป่วยมากเห็นว่าแม่พินจะให้เข้ากรรมาฐานทั้งแม่ทั้งลูกจะไหวหระครับหลวงพ่อผมเห็นท่าทางแย่ทั้งแม่ทั้งลูก ถ้าไม่ไว้เขาก็แก้ทุกข์ไม่ได้เธอจําไว้เลยนะสมชายคนที่จะแก้ทุกข์ได้จะต้องไว้คือต้องสู้จะสู้ได้ก็ต้องมีความเพียรที่เรเรียกว่าวิริยะพระพุทธองค์สอนว่าวิริเยณทุกขมัดเจติบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรถ้าขาดความเพียรซะแล้วก็ไม่อาจพ้นทุกข์ได้ คือแก่ทุกไม่ได้หากพูดกับเท่าแก่เสงิท่านจะบอกที่มาของพุทธวจนะที่อันเชิญมาว่าอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่25ข้อที่311หน้าที่316แต่นายสมชายไม่มีอุปนิสัยที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ทั้งไม่มีความเพียรเขาจึงไม่จำเป็นต้องรู้ท่านดูคนออกว่าใครเป็นอย่างไร คนที่ไฟรู้สู้สิ่งยากท่านจึงจะสอนแม่ลูกคููนี้มีทุกข์หนักเขาจะต้องเพียรพยายามทําคะแนนให้ได้8ปจากร้อยเหลือ2ี่ท่านช่วยได้ถ้าใครทําไม่ถึง80ท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะท่านไม่ใช่ผู้วิเศษเหมือนที่นักบวชบางพวกชอบแอบอ้างกันมากทุกวันนี้ผู้วิเศษมีมากมายแถบจะเดินชนกันตาย เหตุผลเดียวที่บอกว่าเป็นผู้วิเศษคือหวังลาบสการะท่านเรียกนักบวชเหล่านี้ว่าพวกลวงโลกหวังเอาลาบเกิดเข้ามาตายที่วัดเราหลวงพ่อไม่กลัวเสียเชื่อหรอครับสิทธิ์ก้นกุฏิไม่วายหายกังขาเขาไม่ตายที่นี่แน่นอนเพราะฉันต้องการใช้กรรมให้เขาให้หมดถ้าตายเขาก็จะไม่มีโอกาสให้ฉันได้ใช้กรรม ท่านพระครูอธิบายหมายความว่าอย่างไรครับนายสมชายไม่เข้าใจก็หมายความว่าฉันไม่เกิดอีกฉันเคยพูดอยู่เสมอว่าโลกมนุษย์ไม่น่าอยู่เพราะมีแต่ทั้งขี้เกียจขี้โกงขี้อิจฉาขี้ริษยาฉันจึงไม่ขอมาเกิดในโลกมนุษย์อีกตกลงครับไม่เกิดก็ไม่เกิดหลวงพ่อพูดแบบนี้บ่อย แต่ผมก็คงโง่เกินไปจึงไม่เข้าใจสักทีไม่ใช่โง่หรอกแต่เพราะเธอไม่ไฝ่รู้ไม่สู้สิ่งที่ยากมากกว่าเอาละแล้ววันหนึ่งเธอจะเข้าใจไปเองอาจจะเป็นวันหนึ่งในชาติหน้าหรือในอีกสิบชาติข้างหน้าก็ได้เอาเถอะครับนานแค่ไหนผมก็จะรอขอให้เจอหลวงพ่อทุกชาติก็แล้วกัน ท่านพระครูจึงพูดแบบหลวงพ่อในป่าที่พูดกับท่านบนเครื่องบินว่าซอรี่เสียใจเธอไม่ได้พบฉันแน่แค่ชาติเดียวก็มากเกินไปแล้วเหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้ในสมชายถามท่านเจ้าของกุฏิว่าหลวงพ่อครับทาไมหลวงพ่อต้องใช้กรรมกับโยมสีและแม่ของเขาล่ะครับหรือว่า หรือว่าโยมสีเคยเกิดเป็นมสระเอียเมียหลวงพ่อจะเอาวาดวัดป่ามะม่วงนึกสนุกอยากจะตอกกรอนกับสิทธิ์ก้นกุติเพราะรู้สึกเปรี้ยวปากมาหลายวันจึงตอบว่าไม่ใช่ล็อกสมชายเขามาเด็ดเป็นมสระเอียเมียชั้นหรอกแต่เขาเป็นมสระแอแม่ชั้นต่างหากละ่ะนายสมชายตกใจนัก รีบขอคํายืนยันจากท่านว่าหลวงพ่อพูดจริงหรือพูดเล่นครับพูดจริงนะสิฉันเป็นบรรพชิตพูดเล่นก็ผิดศีลนะสิจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อโยมเชิญสีอ่อนกว่าหลวงพ่ อ, อย่างน้อยก็สิปีหลวงพ่อคงไม่บอกนะครับว่าเขากินยาชะลอความแก่ เขาไม่ได้กินหรอกเธอพูดถูกเป้งเลยว่าเขาดูอ่อนกว่าฉันแต่ไม่ใช่อย่างน้อยสิบปีหรืออย่างมากสิบปีหรอกนะแต่สิบปีพอดิบพอดีไม่น้อยไม่มากเขาเกิดพศ2481ตอนเขาเกิดฉันอายุสิบขวบพอดีเรื่องก็คือว่าเขาเป็นแม่ฉันในชาติทีแล้วและเขาเกิดระลึกชาติได้ สมัยที่ฉันบทใหม่ๆหลวงพ่อช่อจเจ้าอาวาสวัดพรมบุรีไห้ไปหาซื้อเมนฉันก็เช่าเรือหางยาวไปคนขับพาไปซื้อผิดบ้านเรื่องมันยาวนะถ้าเธออยากฟังคืนนี้ฉันจะเทศเรื่องนี้จะให้ชื่อเรื่องว่าความลับที่ถูกเปิดเผยถ้าเธออยากรู้ก็ไปฟังได้ที่หอประชุมเวลาสองทุ่มตรงผมคงไม่ไปหรอกครับ จะรีบกลับไปหาลูกสาวเมียมันชอบบ่นว่าผมชอบกลับบ้านตอนลูกกลับจนลูกจะจาหน้าพ่อไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเธอท่านพระครูไม่ขยันขยอเพราะรู้ว่าเขาไม่มีนิสัยปัดใจมาทางนี้คือไม่ใช่คนไฝ่รู้สู้สิ่งยากนายขุนทองพาเท่าแกเสงยมผ่องสาและคนขับรถมาลาท่านพระครูกลับสุพรรณ โยมผ่องสหน้าตาผ่องสสมชื่อเพราะได้รับประทานอาหารไทยคือแกงส้มและต้มผักกาดดองซึ่งเป็นของชอบท่านเจ้าของกุฏิถามว่าเป็นอย่างไรบ้างข่าววัดป่ามะม่วงพ่อทานได้ไหมอร่อยมากเลยค่ะหลวงพ่อโยมฉันไปตั้งสองจานว่าจะฉันสักสามจานก็กลัวเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่มีฉัน ท่านพระครูยิม้มและรับลูกภรรยาเท่าแก่เสงว่าขนาดนั้นเชียวหรือโอ้โหฉันตั้งสองจานอาตามากินไปสามช้อนเองทำไมหลวงพอกินน้อยจังคะยมผ่องใสไม่รู้ว่าพูดผิดเท่าแก่เสงจึงบอกภรรยาด้วยความเกรงใจว่าอาศัยหรือพูดผิดแล้วหลวงพ่อท่านเป็นพระ ต้องพูดว่าฉันส่วนลื้อนาเป็นผู้ครองเรือนต้องพูดว่ากินตายจริงยมพูดผิดจริงๆด้วยยมกราบขอขอมาหลวงพ่อด้วยนะคะแล้วก็ขอโอกาสกราบลากลับสุพรรณบ้านเกิดค่ะยมผ่องใสพูดเกือบเมอรลิเกแล้วท่าแก่จะมาอยู่วัดเมื่อไรล่ะเราตกลงกันแล้วใช่ไหมว่ายมจะมาอยู่วัดสิบวัน เข้ากรรมฐ า, านเจวันเรียนภาษาบาลีอีกสามวันลืมหรือยังไม่ลืมหรอกครับหลวงพ่อผมว่าจะกลับไปสสางานสักสามวันแล้วก็รีบมานะครับเท่าแก่เสงงกราบเรียนจากนั้นคนทั้งสจึงพากันกราบลาพระคุณเจ้าผู้เปี่ยมด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อเวนายนิกกรโดยไม่เลือกชาติชั้นวันนะ บุรุษวัยส5้ารู้สึกปลาปลื้มใจดีใจสุขใจและปลอดปโปร่งใจที่ได้กั ล, ลายาณมิตรผู้เลิศล้ำเช่นพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงหากมิใช่บุญเก่าที่เขาได้กอบไว้เะไหนจะมีวาสนามาพบพระอริยเจ้าองค์นี้เจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงให้ศีลให้พรและอนุโมทนาบุญกับสองสามีภรรยา ที่อนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ให้ได้ไปเห็นพุทธสถานอันเป็นที่อุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่สแห่งพัทระกับนอกจากนี้ยังได้กล่าวสัมโมทนิยกถาคือถ้อยคำที่บันเทิงใจแก่คนทั้งสามว่าขอให้พวกเขาได้บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุสิบให้ครบถ้วนมีทานามัยเป็นเบื้องต้นและทิฏฐุชุ ก, กรรม ที่สุดคนทั้งสามลากลับไปแล้วท่านพระครูจึงเตรียมตัวไปให้กรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมีประมาณร้อยคนที่หอประชุมแม่พินนัดให้มาพบกันเวลาเที่ยงครึ่งเพื่อทบทวนการกราบพระการอาราธนาศีลและการสมท า, านกรรมฐานซึ่งท่านจเจ้าอาวาสได้วางเป็นกฎระเบียบไว้อย่างชัดเจน และเป็นแบบฉบับของวัดป่ามะม่วงที่ไม่หวงสิทธิ์วัดใดจะนำไปใช้ท่านก็ไม่ขัดข้องเพราะจะได้ช่วยกันเผยแผ่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสมค้นพบและทรงนำมาสั่นสอนแก่เวนายนิกรทั้งหลายเป็นหน้าที่และเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของพระสงฆ์สาวกผู้เป็นศักยบุตรพุทธโอรสที่จะต้องดาเนินตามรอยบาทพระาศาสดา หลังจากให้กรรมฐานแล้วท่านก็ต้องมานั่งรับแขกเวลาบ่ายสองโมงตรงนายขุนทองจัดตารางให้ท่านลงรับแขกวันละสองเวลาคือ10นาฬิกากับ14นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเหลือเวลาอีก5นาทีจะบ่ายโมง ท่านพระครูออกจากกุฏิเดินไปยังหอประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่มีนายสมชายถือย่ามสีเขียวเดินตามท่านมาเมื่อเข้ามาในหอประชุมผู้ปฏิบัติธรรมนั่งลมคุกเข่าประนมมือชายนั่งท่าเทพบุตรหรือท่าพรหมหญิงนั่งท่าเทพธิดาท่านเดินไปก ร, บราบพระประธานซิงอยู่ด้านซ้ายมือแล้วกลับมานั่งอย่างอัสนะ ซึ่งอยู่เบื้องหน้าของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อท่านนั่งลงเรียบร้อยแล้วแม่พิมพ์จึงบอกผู้ปฏิบัติธรรมให้กราบพระอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานสามครั้งโดยกราบแบบเบญจางคปะิ์จากนั้นแม่พิมพ์ผู้นำกราวบูชาพระรัตนตรยัยผู้ปฏิบัติธรรมว่าตามทีละประโยคเสร็จแล้วผู้ปฏิบัติธรรมกล่าวคำอรัธนาศีนแปดตามลาดับ อิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูเชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาตโตภคะวตาธมโมธำ ม, มังนัมสามิกราบ สุปติปโนภคะวัตโตสาวกสังโคสังคังนามามิกราบไมยังพันเตติสารเนนั Damon สหะอัถฐศีลานิยาจามะทุติยมปิไมยังพันเตติสารเนนั Damon สหะอัถฐศีลานิยาจามะตะติยมปิไมยังพนังเตติสารเนนั Damon สหะอัถฐศีลานิยาจามะ เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกล่าวคำอรัธนาศีลจบลงท่านพระครูผู้เป็นอาจารย์จึงหยิบตลปัตรที่อยู่เบื้องหน้าด้านขวามือมาถือแล้วบอกศีลเรื่มจากนำกล่าวคำบูชาพระพุทธคุณสามได้แก่พระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระกรุณาคุณ โดยว่าสามจบติดต่อกันแล้วจึงให้ผู้ปฏิบัติธรรมว่าตามรวดเดียวสามจบเช่นกันจากนั้นจึงตามด้วยไตรสรณคมโดยว่าทีละประโยคผู้ปฏิบัติธรรมว่าตามต่อด้วยศีลแปดพระอาจารย์ว่านำทีละข้อผู้ปฏิบัติธรรมว่าตามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ <le char> <first> ัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิ ทุติยามปิสังขังสาระนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสาระนังคัจฉามิตติยามปิธรร ม, มังสาระนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสาระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอัินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อภรมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธียามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ นั่นจากคีตวาทิตะวิสูกทัศนะมาลาคันทวิเลปนัธารณะมันแนวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจาศยนะมหาศยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิบอกศีลครบ8ปดข้อแล้วพระอาจารย์กล่าวย้ำการสมาทานศีลแปดหนึ่งเที่ยวผู้ปฏิบัติธรรมว่าตามสามเที่ยว อิมานิอัตธตธสิกขาปธานิสมาธิยามิอิมานิอัตตสิกขาปธานิสมาธิยามิอิมานิอัตตสิกขาปธานิสมาธิยามิอิมานิอัตตสิกขาปธานิสมาธิยามิจากนั้นพระอาจารย์สรุปอนิสม์ของศีลผู้ปฏิบัติธรรมไม่ต้องว่าตามดังนี้ สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยเสร็จสิ้นขั้นตอนสมาทานสีแล้วก็ถึงขั้นตอนสำคัญที่สุดคือการสมาทานพระกรรมฐาน พระผู้ที่ทำด้วยความตั้งใจดังที่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ขณะทมพิธีสมาทานจะได้บุญกุศลมหาศาลด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถือเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาใครปฏิบัติได้ครบถ้วนกระบวนความตามขั้นตอนที่กำหนดไว้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองโชดช่วงทั้งทางโลกและทางธรรม ทางโลกนั้นจะทำให้มีฐานะดีเงินไหลนองทองไหลามาทำ ม, มาค้าขายก็ได้กำไรงามส่วนทางธรรมก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมหากยังไม่ได้ในชาตินี้ก็จะเป็นทุนสำรองต่อไปในชาติหน้าสำหรับผู้ที่มาโดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีศรัทธาประสาทะ หรือมาปฏิบัติแก้บนจะไม่ได้ผลตามที่มุ่ง ม, มา่ปรารถนาแล้วก็เที่ยวไปพูดว่ามาปฏิบัติไม่เห็นได้อะไรคนแบบนี้ก็มีไม่น้อยดังนั้นท่านผู้มาสร้างความดีมาสร้างบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาต้องตั้งใจให้ดีที่สุดขณะสมาทานพระกรรมฐาน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 แม่พินนำกล่าวคำสมาทานพระกรรมฐานเป็นภาษาบาลีพร้อมคำแปลผู้ปฏิบัติธรรมว่าตามทีลวักดังนี้อิมาหังพักวาอัตตภาวังตุมหากังปริจจชามิอิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปริจจชามิข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพเจ้าขอน้อมกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อิมาหังอาจจริยะอตตภาวังตุมหากังปริจจฉามิข้าแต่พระอาจารย์ผู้จเจริญข้าพเจ้าขอน้อมกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์เพื่อจเจริญวิปัสสนากรรมฐานนิพพานสัสเมพันเต สัจฉิการณัตทายะกรรมฐานนางเทหิข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าเพื่อทำให้แจ้งซึ่งมักผลนิพพานต่อไปอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าถึงสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้อนขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิดสเพสัตาสุขิตาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตนตลอดเทพบระบุเทพธิดาทุกพระองค์พระภิกษุสา ม, มเณรและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านขอท่านจงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้อนขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิด อัวังเมชีวิตตังชีวิตของเราไม่แน่นอนความตายของเราแน่นอนเราต้องตายแน่เพราะชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดนับว่าเป็นโชคอันดีแล้วที่เราได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณโอกาสบัดนี้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเยเนวันตินิพพานัง พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกได้ดำเนินไปสู่พระนิพพานด้วยหนทางเส้นนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญญาณตนต่อพระรัตนตรยัยและครูบาอาจารย์ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลดำเนินรอยตามพระองค์ท่าน อิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปัติยารัตนตตยังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่มรรคผลนิพพานนี้ด้วยสัจจวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเธินลำดับสุดท้ายผู้ปฏิบัติธรรมสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณพระสังฆคุณพร้อมกันจบแล้วกราบสามครั้งเป็นเสร็จพิธีสมท า, านพระกรรมฐานอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสาัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษยานังพุทโธภควาติ สวากขาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตงังเวทิตตโพวินยูหีติสุปฏิปปโนภะควตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปปโนภะควตโตสาวกสังโฆยายปะปฏิปปโนภะคะวตโตสาวกสังโฆสามีจิปตปปิปปโนภะคะวตโตสาวกสังโฆ ยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปริสปุขลาเอสะภะกวัตโตสาวกสังโคอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชลีการณนิโยอนุตตรังบุญยะเขตังโลกาสัติ